ถานถลงตาก็คือว่าตอนนีมน้มันมีติดอะไรที่มันมีอะไรที่ค้างคาที่เคยปิดผูกอะไรไว้หรือเปล่าค่ะไม่มีแล้วไอ้พอคิดอย่างเงี้ยมันก็นเลยผูกกันเนี่ยก็ติดติดติดตรงเนี้ยติดตรงนี้พราไอคิดตรงเนี้ยเพราะอะไรถ้าคิดตรงนี้นปุ๊บแสดงว่าในใจลึกๆมันจะมีรอไปเอาอะไรแสดงว่ามีในใจเรานั่นจะไปเอาไปเอาอะไรก็ เ, ออรเนี่ยตามันมีอะไรผูกไว้เนี่ยเออกแสดงว่าจะเอาอะไรอยู่เนี่ย หาแต่เรื่องที่มีอะไรผูกมีอะไรผูกใจธรรมชาติมันไม่มีอะไรผูกแต่พอเราคิดว่ามันมีอะไรผูกไม่มีอะไรผูกไหมถ้ากังวลว่ามันจะมีอะไรไหยเนี่ยกังวลนี่แนวกัน่ผูกมาตลอดนี่ไอ้นี่ยคือมีอะไรตอนนี้ออนเนี่ยก็กังวลนี่แน่คือคถ้าไม่มีผูกก็ ค, คือก็ปฏิ บ, บัติเหมือนเดิมไม่ว่ามันจะอาการอะไรก็ตามก็เห็นที่มันเป็นไม่ไมาใย่ว่าไม่ผูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมวางการปฏิบัติไปตอนนี้ผนเลยหรือจะมันมีอะไรที่มันคาใจว่าเราเรายังไม่ยอมวางค่ะ ก็คือแค่รูว่าว่ามันพอมันผุดขึ้นมาเราแค่รู้เท่านั้นก็ทําไมอ่ะเราถึงต้องคิดเอาไอ้ที่มันคาออกก็ไอ้ที่คาเหมือนนกบินท้องฟ้าเราไม่ไปยุ่งกับนกมันก็ท้องฟ้าก็ว่างเปล่าแต่เราเนี่ยจะกําจัดให้นกปัญหาจากท้องฟ้ามันก็เลยปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยอาการคาที่มันมีอาการเรารู้สึกมีอาการอยู่ในใจมันก็คือนกที่มีอยู่ท้องฟ้าแต่เรามีปัญหาคือเราจะไปกําจัดนกออกจากท้องฟ้านี่เนี่ยปัญหามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยจะมีปัญหาเลย ธรรมดาอาการมันมีทุกชนิดทุกขานาบยัต้องมีอยู่อาการทุกชนิดเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันเนี่ยมันก็มีแล้วก็มันก็มีไปใจนี่มันเหมือนทองฟ้าที่ว่างเปล่าก็ว่างเปล่าไปอาการที่มีอยู่มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ไปไปทำอย่างอื่นอาการพวกนี้ก็หายไปแล้วไปทํากลัวไปหล่อยพระขามเทศนไปเก็บนู่นเก็บนี่มันก็หายไปพออยูุ่ดหน้าอาจารย์อาทําอีกแล้วอะไรเงี้ยมีอีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยมันก็ไปเปให้หายไปเป็นให้หายพออยู่ดหน้าอาจารย์ทีก็เป็นทีมันก็ไม่ไม่มีอะไร ทีนี้พอจะไม่ปฏิบัติมันก็ยังจะมันก็จะยังมันติดมันจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยความปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยคือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติคือไม่ไม่ได้ทําอะไรนะคือปล่อยวางหมดนั่นแหละคือการปฏิบัติก็อยู่ปล่อยวางการปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติปล่อยวางปฏิบัติเสร็จมันก็ปล่อยวางอย่างอื่นด้วยของเราตอนเนี้เฉพาะของเรานะไม่ใช่ของอื่นฟังแล้วก็ดูฉันฉันกลับไปฉันปล่อยวางหมดจะไม่ทําอะไรไม่ใช่เฉพาะของเราเน้นเฉพาะของเราตอนเนี้ย ปล่อยวาคือคือยังไงคะคือก็เลิกไปซศร้าซีกับมันในที่เราเป็นอะไรหนูติดอะไรหนูติดอะไรหนูติดอะไรหนูติดอะไรก็เลิกเศร้าซีกับมันไม่ได้เหรอมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะไม่ได้เหรอือเพราะมันเป็นกังวลกับอาการทางกายอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมถ้าเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นวิบากอะไรจะคิดไปแบบนั้นนะคะว่าไม่ใช่เป็นขันห้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหะ่ไปเป็นทุกข์ขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไปทําอะไรกับมันก็คือถ้ามันจะขึ้นบอกว่ามันติดอะไรแล้วก็ ก็ไม่ต้องสนใจมันแบบนั้นมันก็ต้องมีก็เราจะเอาคําตอบให้ได้ไงจะเอาคําตอบให้ได้ใช่จะเอาคําตอบให้ได้อยู่นั่นแหละว่าหนูติดอะไรหนูติดอะไรหนูติดอะไรถามมาหลายวันแะ้วอืมไอที่เราคิดว่าเราติดอะไรนี่ยคือติดเข้าใจไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจไอที่เราคิดว่าเราติดอะไรนี่มันติดเพราะไอติดที่เราคิดว่าเราเราติดอะไรเนี่ยแนะตอนเราคิดว่าเออมันจะติดอะไรก็จ้าหมันเฮ้อมันก็เป็นอาการของอาการทั้งนั้นแนะแล้วจะเป็นอะไรแล้วก็เปลี่ยนแง่คิดเสมอ มันจะรู้สึกว่าติดอะไรก็เป็นอาการทั้งหมดนะแะดถ้าไม่มีอาการมันมันจะปรากฏอาการไม่ได้แต่ถ้ามีอาการในรู้สึกว่าติดอะไรก็แสดงว่ามันเป็นอาการที่เฉยก็แค่นั้นเองไม่ยอมอยในใจไม่ยอมเลยมันเป็นยังไงฮะเอา้าไม่เคียร์อะไรเอา้าพูดมาบอกไนดะ้ถามได้เอา้ามันก็จะคิดว่าเนี่ยเราก็ําลังไปทาอยู่อย่างี่เดินเดินอยู่เขาเอา๊ะมันก็เห็นมันเป็นเราก็จงใจไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของมันแล้วอย่างเงี้ย เป็นเราก็แค่ก็แค่รู้嘛มันจะคิดอะไรเพิ่มกันมานี่มันจงใจไหมหรือว่าเราก็ต้องแก่เดินอยู่หรือแค่นี้พอไหมเราต้องปล่อยวางไหมอะไรก็ตามไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางอย่างที่มันเป็นคือมันก็พูดอย่างงี้ก็พูดไปเฮิในใจเราอะไม่ได้ห้ามมันหยุดไม่ได้แล้วมหยุดพูดไม่ได้มันก็เข้าใจไหมก็ให้เห็นทุกอาการมันมันจะขึ้นอะไรมาก็เห็นแบบนั้นโดยที่ไม่ไปกังวลกับมันก็ไม่ใช่ว่าต้องไปตั้งใจเห็นบันนะ คมันมีอาการก็ต้องรู้อยู่ในใจเราอ่ะคะแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันไีห่ ห, หลีมันเราจะพูดยังไงวะเราไม่เห็นว่ามันในไม่ไม่เป็นผู้เห็นไปเป็นผู้คิดนะครับเข้าไปดูดูว่ามันคิดว่าอะไรแต่เราไม่เห็นกิริยาการที่มันทําแต่เรากลับเข้าไปไปกลุนทําแล้วก็ไปคิดไปกลุนคิดเป็นคนทําเป็นคนคิดเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งวันนั้งเดอเนะี่ยเป็นหน้านี่คิ้วกับัวตลอดเลยเนี่ย แต่เราไม่เห็นว่าเนี่ยเราทําแบบเนี้ยเราทําท่าทางไปดูจิตไปดูความคิดแล้วมันก็คิดด้วยแล้วเราก็ไปทําทําดูด้วยแล้วก็แล้วก็ไปทําคิดด้วยไปเป็นผู้คิดด้วยแ ล, <sunscreen. S 1> แล้วก็ทําดูเราคิดด้วยทําท่าทางดูแล้วก็ตัวเราก็เป็นคนคิดด้วยมันกลายเป็นตัวเราไปหมดเลยตัวเราถ้าเป็นคนคิดนะตัวเราถ้าเป็นคนดูเลยเราไม่เห็นมันแบบไอ้เนี้ยถึงมันจะดูยังไงมันมันเป็นสิ่งที่ถูกดูถูกรู้ แล้วไอ้การคิดที่มันคิดอะไรขึ้นมามันจะจุกกุกจิกอะไรก็ตามซ้อนซ้อนมาอะไรช่างช่างมันเถอะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดอะไอ้ผู้ที่ไปก็กลับไปดูมันก็เป็นผู้รู้เป็นก็สิ่งถูกดูถูกรู้หมดมันทํากริยาการอะไรก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้หมดก็แค่สัตแต่ว่าสัตแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่เข้าใจเดี๋ยวหลีไม่เข้าใจไปตั้งคิดอีกใช่ไปไปคิดที่หลวงตาพวกอีก ก็ไอ้ที่ไปเช็คก็คือไอ้นี่ยขาเห็นว่าเขาไปเช็คกัเนี่ยอะนี่ยเนี่ยเขาไปเช็คต่อหน้าต่อตาเราเก็ไปเช็คแตัวนีี้ท่มันี่เราก็ไปเช็คจริงๆงตาพูดอย่างนี้มีอยู่ป่ะไม่เห็นมันมีเลยมันไม่เห็นเราไม่เห็นเลยโอ้ยอันนี้มันหลงมากอลยมันกลายไปเป็นคนเป็นไม่เป็นผู้รู้เลยเข้าใจไหมเนี่ยที่ที่ลุงตาผู้ถามจริงเข้าใจไหมเนี่ยก็เหมือนแล้วเขายังเข้าไปทำอยู่ไปเป็นเป็นยังมีตัวเข้าไปทำตรงเนี้ยไปไปคีดตามอ๋อมันก็จะมันตัวเราก็ไปทํายังไงแล้วก็เห็นตัวเราอย่างนั้นแหะ เห็นเราตัวเราไปเป็นกายาการยังไงเป็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอ่ะแต่เราไม่ยึดในตัวนั้นเป็นตัวเราเลยเว่าความรู้สึกเป็นตัวเราไปทําเป็นสังขารเป็นสังขารบูแต่งสังขารบูแต่งได้ไหมเนี่ยนั่งคิดอยู่เนี่ยอหรี่ตัวนั่งคิดโอเข้าใจเมื่อก่อนเนี้ยหรีก็ทำอย่างเงี้ยประการอธิบายแทนเราหน่อยทีอาจจะภาษาใบรุ่นเหมือนกันนะเราอธิบายไม่เข้าใจคือคือผมว่าเอ่อมันจะมีสองลักษณะครับที่ที่ทํานี้คือว่า จะมีบางคนที่ไม่เห็นตัวเองเข้าไปปรุงแต่เห็นปรุงเวลาปรุงทั่วๆไปโดยที่ยังไม่ได้คาดหมายอะไรเนี่ยก็สังขารปรุงแต่งที่เวลามองเห็นภาพมองเห็นอะไรแล้วมันปรุงอันนั้นพอเห็นแต่พอเริ่มตัวเองเริ่มจะเอาเนี่ยอันนี้มองไม่เห็นตัวเองเพราะว่าเ<ม>พราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมันไปหมายไว้ั้แต่ แ, กแรกๆครับพอไปหมายว่าเราจะเอาปุ๊บมันเลยบงังตัวเนี่ยฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะให้เราเราพยายามย้อนมาที่ฐานจิตก็คือว่าคือคืออยู่กับ พออยู่กับปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันผุดปัจจุบันมันปรุงแต่งล้วนๆอ่ะมันต้องเห็นตรงนั้นนะครับแต่ว่าบางทีปัจจุบันพอมันปรุงขึ้นมาพระหลวงตาเทศว่าเอ่อมันจะไปเอาอย่างเงี้ยคุณหลีก็เห็นว่ามันจะไปค้นแล้วเอ้ยเราไปเอาจริงหรือเปล่าท่านั้นอันหนึ่งที่คุณหลีไม่เห็นคือไม่เห็นตัวเองปรุงขึ้นมาใหม่ว่าเราจะไปเอาเราจะไปดูตัวเนี้ยจะไปดูที่สิ่งที่หลวงตาชี้เนี่ยพอไม่เห็นปุ๊บมันก็บังเรียบร้อยละมันหลงเข้าไปในใน ในธรรมลมตัวใหม่ที่มันจะไปปรุงต่อโดยที่มันลืมตัวเองสติตรงนั้นมันถูกตัดขาดออกจากปัจจุบันไปคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้อะไรมันจะปรุงแล้วคือคืออย่างที่หลวงตาบอกทุกครั้งนะคือว่าทุกอย่างเที่มันมีความหมายมามันปรุงแต่งหมดเลยเราแค่รู้เท่าทันเท่านั้นเองฮะก็แค่รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็คือที่บอกว่าต้องไปทําอะไรเนี่ยจริงๆบางทีแต่ก่อนเราเข้าใจผิดนะครับก็คือว่า ต้องเหมือนไม่ต้องมีการบ้านเพื่อไปทําอะไรแต่จริงๆแล้วที่เราทําอยู่ที่เรารู้อยู่เนี่ยนี่คือทําอยู่กับรู้นี่แหละครับนี่คือปัจจุบันทําในปัจจุบันเท่านั้นเองครับอะไรที่จะไปเอานั่นก็แค่รู้ทันที่เพราะเราห้ามไม่ได้เขาจะไปเอาก็มันขันมันปรุงแต่งอยู่แล้วอะครับคือจะไปห้ามไม่ให้มันทําก็ไม่ได้จะไปให้มันทําก็ไม่ได้คืออะไรก็ตามที่จะไปยุ่งของเขามันปรุงหมดอะไม่ยุ่งเฉยๆส่งไปคิดมันก็ปรุงมันก็มันก็มันก็เป็นธรรมชาติของขันที่มันต้องปรุงแต่งอยู่แล้วแค่เราแค่รู้เฉย รู้ลงปัจจุบันเท่านั้นเองเขาจะคิดก็เรื่องของเขามันทําอะไรไม่ได้ะครับมันก็หน้าที่ของเขาอ่ะคือขันห้าก็ต้องปรุงแต่งเราจะไปหยุดเขาไม่ได้จะไปชอบมันก็นั่นคือก็ขันห้าปรุงแต่งจะไม่ชอบก็ขันห้าปรุงแต่งจะดีก็ขันห้าปรุงแต่งจะไม่ดีก็ขันห้าปรุงแต่งอีกก็แค่รู้เท่าฐานเฉยมีอะไรก็รู้ก็รู้เท่านั้นเองถ้าไม่ได้จะผูกพันจะชอบจะรักจะอะไรมันก็เป็นธรรมชาติที่มันต้องปรุงแต่ง แต่นั้นถ้าคุณหลี่รู้เท่าทันที่เฉยก็มันมีอะไรตัวสุดท้ายปัจจุบันนั้นเป็นไงก็เขารู้ไปตรงนั้นเท่านั้นเองมันจะไปเอาถูกไหมฮะมันอยากไปได้ใช่ไหมก็แค่รู้ว่ามันอยากจะไปได้มันก็ธรรมดานะมันก็เป็นปกติคนก็ก็แค่รู้อย่างที่มีไม่ไมคืออย่างที่เมื่อกี้คุณประกอบพูดเนี่ยคือมันเหมือนพอพอเห็นมันก็มีอาการที่มันไหวขึ้นไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วพอเรารู้ทันมันก็มันก็ไม่มีมันก็ดับลงไป ก็ช่างมันถ้ามันจะดับมันจะไม่ดับเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเราอ่ะเราเราก็แค่เราแค่แค่รู้เฉยๆบางทีไม่เข้าใจว่ารู้ยังไงแบบมันก็ว่ารู้บางทีเข้าใจว่ารู้แล้วมันแม้ว่าเห็นมันไปคิดเราก็ยังเข้าใจว่าเนี่ยเรารู้รู้แล้วแบบนี้ค่ะก็สมมติว่าว่ามันไปคิดแล้วเรารู้ใช่ไหมครับถ้าคุณหลีรู้สึกว่าเอ้เรารู้ขึ้นมาว่ามันไปคิดอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกยังไงกับไอ้ตัวคิดที่มันที่มันไปรู้ตรงนั้นคุณหลีก็ต้องรู้ตรงนั้นเพราะว่านั่นคือปัจจุบัน เพราะไอ้ตัวก่อนหน้านี้มันเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วค่ะความรู้สึกมีปุ๊บมันก็เข้ามา ท, าทันทีเข้ามาแับก็ช่างมันมันมีก็เรื่องของมันฮะเพราะมันเป็นมันเป็นขัขนขห้าไงความรู้สึกความอะไรต่างๆที่มีความหมายคือมันเป็นขันห้าทั้งหมดเลยเราเพียงแค่รู้ตัวสุดท้ายครับคือถ้ามันจะควานหามันยังงงก็ช่างมันก็คุณหลี่แค่รู้รู้ตัวสุดท้ายนั่นหมายถึงว่ามันคือเป็นการตัดทั้งโยงของสังขารก็คือปัจจุบันเป็นยังไงก็เท่านั้นนะที่เหลือนี่มันทิ้งหมดอยู่แล้ว ครับมันมันจะไปเอาขึ้นมาใหม่เนี่ไปเอาขึ้นมาคิดใหม่ก็รู้ปัจจุบันใหม่ Week> ก็ช่างมันก็ไม่เปไ็นไรครับรู้อย่างนี้ไม่มีหลงเพราะว่ารู้เมื่อไหร่นั่คือปัจจุบันเมื่อนั้นครับหลงก็ไม่เกี่ยวแล้วหลงนั่นคืออดีตนะครับจะไปเอาอะไรก็เรื่องของมันก็เรื่องอดีตหมดปัจจุบันไม่มีนะปัจจุบันก็เขานเานี้ยไม่มีหลงละก็รู้ไปอย่างนี <S <S ้ก็รู้อย่างนี้อะก็นี่แหละครับก็ตอนเนี้ยครับนี่คืองานของเราก็าตอนเนี้ยครับไม่มากไม่น้อยคือเขาจะสงสัยก็เรื่องของเขาอะครับ มันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องสงสัยทั้งแต่มค้นแต่เพียงเราเราขอให้เรารู้เท่าทันเท่านั้นเองว่าเราไปค้นว่ามันมีตัวค้นครับมันมีตัวไหลายไปมันมีตัวอย่างตัวอะไรก็ช่างเขาอ่ะมันมีอะไรปัจจุบันเป็นแบบไหนก็รู้ตรงนั้นนะครับคือสุภาพ้วอาจจะเป็นที่ส่วนที่เราไม่ชอบมันด้วยแล้วเราจะผักใสผักใสก็รู้ว่าผักใสชอบก็รู้ว่าชอบก็แค่รู้เท่านั้นพอชอบแล้วเดี๋ยวคุณหลีต้องปรุงแต่งใหม่แน่นอนก็รู้ไปใหม่เท่านั้นเองฉะนั้นของเก่าไม่มีอะไรเลยทิ้งหมด ครับประมาณเนี้ยครับจริงๆก็ฟังหลายรอบนะมันจะยึดก็คือให้มันก็ช่างมันก็แค่เรารู้นะครเอารู้มันยึดใครยึดนะมันก็ไม่มีนะก็ขันห้านะก็ปรุงแต่งขึ้นมายึดก็คือถ้ามันจะไปไปอมทุกข์ก็แค่เรารู้ทันเฉยๆว่ามันจะเป็นก็ก็ก็มองแค่ว่ามันเป็นวิบากเป็นสังขารเป็นเป็นขันห้าที่เขาทํางานเขาจะมีของเก่ามาอย่างไงีก็ช่างเขาอวิชชาเข้ามาอย่างไงก็เรื่องของเขามันจะติดทุกข์มันในชาตินี้ก็เรื่องของเขา หน้าที่เราก็แค่รู้เฉยๆเราจะเอาอะไระครับเพราะเราก็ไม่มีผมไหมฮะเหมือนลงตาบอกว่าก็มันแค่แค่นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอันเนี้ครับเพราะลึกๆวันนี้รู้สึกมันทุกข์อยู่แล้วมันก็เรื่องของมันฮะถ้าเราไม่มีไม่เรือ่องของเรามันก็จะแปร์คอยอ่ะเราก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะครับคิดว่ามันมีอะไรเพราะมันทุกข์ทุกขกอยู่ข้างในตลอดก็คุณหลีต้องเห็นตัวนั้นแหละครับตัวที่ไอตัวคิดว่ามีอะไรก็แค่รู้เท่าทันไอตัวที่ไปคิดว่ามีอะไร มันคิดก็คิดรู้ตัวเนี้แหละครับมันจะคิดก็เรื่องของมันคุหลี่ห้าไม่ได้นะเพียงแต่จะพืนจะไหลเข้าไปไปปรุงต่อแต่ถ้ามันไหลเข้าไปปรุงต่อก็เรื่องของมันอีกนะมันแค่รู้อย่างเดียวคนะเพราะเราห้ามไม่ได้นะมันจะไหลมันก็ห้าไม่ได้ก็แค่รู้เฉยนี่คือรู้รู้ที่หลวงตาสอนนั่นก็คือรู้ปัจจุบันธรรมนี่แหละก็คือทํามารมตัวสุดท้ายนั่นแหละที่เหลือตัดทิ้งหมดทั้งยวงเพราะอดีตเป็นหมดเรียบร้อยแล้วคิดว่าเข้าใจค่ะมันก็เรื่องของจริงก็เปล่าปล่าพูดเลย พนๆตัวเดิมองมันฮะจริงไหมคือนั่นหาะแล้วลึกมันก็ยังกังวลว่าตัวเองจะไปกังไปวนอย่ามาเห็นมาไม่จริงอไม่รงเราดูแล้วไม่จริงไงไหมใช่มันมันมันจะมีจะมีตัวกังวลตัวนี้ตลอดเลยว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยในใจลึกๆเนี่ยนะจะบอกให้หลีเนี่ยไม่ได้เอามันไม่ได้เอารู้แต่หลีเนี่ยจะไปเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้เอารู้นะรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆของเนี่ย ธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้พุทธอรหันต์นั่งหลายน่ยอยู่ก็รู้อยู่กับรู้เอารู้หมดเลยอ่ะอยู่ก็รู้อยู่กับรู้เอารู้หมดเลยอ่ะรู้เนี่ยรู้รู้เลยรู้เนี่ยเป็นมหาสุญญตาจักรวาลเวงวังไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่หลีเนี่ยไม่ได้เอารู้นะไม่ได้เอารู้เนี่ยหลีเนี่ยหมายอย่างอื่นไว้หมายว่าในใจจะต้องไม่มีอาการแน่นอากาศอึดอัดไม่มีกังวลมันจะไม่มีอาการใดๆ ไปเอาหมายไม่มีอาการคนละเรื่องกันเลยเนี่ยเราเห็นได้เราเนเนี่ยแล้วว่าอะไรเราคนพูดอยู่เนี่ยแต่เราหมายออย่างมันคนละทางกันเลยคือถ้าแนวรู้รู้รู้รู้อยู่กับรู้เอาเอารู้เอารู้เนี่ยคืออะไรคือมันไม่มีตัวรู้ตัวรู้ไม่มีรูปร่างของรู้ไม่มีรูปพันธุ์สัมพันของรู้ไม่มีอาการของรู้ไม่มีมันมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้มีแต่ความรู้มีแต่รู้มีแต่ความรู้ว่าเนี่ย ขันห้ามันเป็นอย่างไรมันจะคิดดีคิดชั่วคิดกังวลมันจะแน่นมันจะจุกมันดึงอ่านมันจะรู้สึกว่างมันจะรู้สึกยังไงก็ตามมันก็ได้แต่รู้เพราะว่าเอารู้แต่หลีเนี่ยจะไปเอาว่างเอาว่างจากอาการเอาไม่มีอาการเอาว่างจะไปเอาว่างมันยังไม่ว่างเลยมันยังไม่เบาเลยมันยังไม่สบายเลยจะไปเอานิพพานหลีเนี่ยจะไปเอานิพพานแล้วก็คาดหมายว่านิพพานคืออะไร เออ น, นิพานคือว่างเราว่าแล้วคือว่างจากที่มันต้องไม่มีอะไรอาการกับที่มันไม่เอิดว่างจ า, จากไม่มีอาการว่างจากไม่มีอะไรมันหมายไว้คนละอย่างพูดในตายก็ ไ, ไปยังไงหรอเพราะอะไรมันหมายคนละตัวกันเนี่ยเขารู้พระพิธีเจ้าทั้งหลายเอารู้เอารู้เอารู้อยู่กับรู้คือรู้อะไรก็รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงได้อย่างเดียวเพราะว่าทําอะไรไม่ได้เลยรู้เนี่ยเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มี กิยาการจะไปแทรกแซงอะไรก็ไม่ได้จะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้เขาจะแทรกแซงแก้ไขปรับปรุงปรับแต่งอะไรไม่ได้ทั้งหมดแนเะพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เด็กประจ่าที่ได้แต่รู้แต่เราเนี่ยมันหมายไว้พูดยังไงเลยคนละตัวกันเราหมายจะไปเอาว่าง มันไม่เห็นว่าจะอาการเลยมันยังแน่นมันยังจุกอึดอัดมันยังมีการกังวลมันยังนุ้นมันอย่างนี้เราจะไม่เจอหน้าว่างเลยไม่เห็นพูดตั้ตงนานยังไม่เห็นว่างเลยเราเนี่ยเราจะกลับแล้วมันยังไม่ว่างเลยโอ๊ยม hey. ันคนละตัวกันก็ยอมรับม <emás S 1> <ถ>ันอย่างที่มั <decline. adesso. S 2> นเป็นมันจะอาการมันจะเกิดอะไรก็ตามก็อย่างนั้นเขบที่ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นในหลีได้แต่พูดแต่ปากอะแต่ใจของหลีไม่ยอมเพราะอะไรเหตุที่ไม่ยอมเพราะหลีไม่เ <reservations> ข้าใจจริงๆนะไม่เข้าใจว่า ไม่ใช่ตัวเราไปยอมนะบังคับให้ตัวเรายอมอย่างนั้นอนะ่ะทำอะไรไม่ได้หนูก็ยอมแต่ยอมแบบหนูยอมแบบว่าไม่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้ไปว่าตัวเราได้ยอมไม่ใช่ตัวเรายอมนะคือธาดรู้เนี่ยมันมันมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีกิยาการไม่มีมันแทรกอระแซงอะไรไม่ได้มันเลยต้องยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสิ่งที่มันเป็น เพราะอะไรมันก็คือรู้ยังไงก็ต้องรู้อย่างงั้นนะซื่อๆรู้ยังไงก็ต้องรู้อย่างงั้นนะซื่อๆไม่ใช่ว่าตัวเราไปรู้ซื่อๆตัวเราเนี mer, ่ยงั้นตัวเราก็ยอมไปซะเพราะทำอะไรไม่ได้ตัวเราก็ยอมไม่ใช่ตัวเรายอมนะถ้ารู้เนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เขาไม่มีเคร <CC> ื่องไม้เครื่องมือแทรกแซงอะไรก็ไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้แก้ไขช่วยเหลือขันท้ากันไม่ได้ได้แต่รู้ขันท่าตามความเป็นจริงก็มีแค่นี้ได้แต่รู้ขันหน้าตามความเป็นจริงได้แต่รู้ขันท่าตามความเป็นจริงเขาแทรกแซงอะไรไม่ได้ไม่ใ่ไปบบััังคตวเรายอม นั่นเวลาทุกขณะจปัจจุบันเนี่ยมันรู้อะไรก็รู้อย่างนั้นแหละมันรู้อะไรก็รู้อย่างนั้นแน่มันรู้อะไรก็รู้อย่างที่มันเป็นเน่ยเพราะธรรมชาติมันก็รู้ในปัจจุบันนี่แน่รู้ในปัจจุบันเน่ยจิตเป็นยังไงก็รู้อย่างปัจจุบันรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปรู้นะคือมีแต่อาการในผู้รู้ไม่มีมีแต่อาการผู้รู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีไม่มีไม่มีผู้รู้มีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่อาการที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันนะมีแต่ประตูใจอ่ะรู้แต่ที่ประตูใจไอื่นก็รู้เอย ตาหูเจ้ามูลิ้นกายใจมันก็รู้ในธรรมชาติของมันนะแต่ว่าตูใจเนี่ยมันมีอาการยังไงเกิดขึ้นมาก็มีแต่อาการแต่ผู้รู้ไม่มีไม่ปรากฏผู้รู้เลยไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้มีแต่อาการทุกขณะปัจจุบันมีอาการก็ตรงไปต้องมาซื่อๆเพราะว่าธรรมชาติรู้มันก็ซื่อๆซื่อๆแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปคอยรู้ซื่อๆไว้นะมันมีแต่อาการซื่อๆมีแต่อาการซื่อๆมีแต่อาการซื่อๆทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่มีตัวเราไปรู้ซื่อๆยังไม่เข้าใจยังงงๆนี่ยนี่ข้างในมันมีแต่เปเชิมมากเปเชิมมาก โอ้ยยังไงวะเอาพอเดินอธิบายฟองสิอยากให้ดูก่อนว่าสิ่งที่ทําอยู่อย่างแรกเลยอ่ะมันทุกข์อยู่เหละไอ้ที่เรามาเรียนกับหลวงตาเล้ว ก, ก็ตามอ่ะมันทุกข์ไม่ใช่หรอใช่ไหมที่หลวงตาพยายามบอกก็คือธรรมชาติจริงๆอ่ะที่คุณหลียังไม่ยอมคือคุณหลียังเข้าใจธรรมชาติจริงๆของมันไม่ถูกคุณหลีเข้าใจมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณหลีดิ้นภายใต้ พื้นฐานที่มันปรับให้ตัวเองไม่ถูกค่ะคุณหลีทิ้งก่อนและจูนมันใหม่ที่คุณประกรณ์พยายามชงให้อย่างสวยงามนั่นน่ะถูกหมดเลยที่ผมลุ้นอยู่คุณหลีตั้งมันใหม่ก่อนว่าจิตแ ท, แท้จิตเดิมแท้หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ที่เคยเรียกมาก่อนว่าความว่างก็ได้เอาแต่ผมไม่อยากให้ชใช้คาว่าความว่างผมอยากให้คุณหลีทิ้งความว่างที่เคยอยู่มาก่อนนะคุณหลีทิ้งไปเลยได้ไหม ทิงแม่งก่อนกลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆของจิตเดิมแท้ของเรามันจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะพบความจริงของมันซึ่งพบไม่พบมันก็เป็นอยู่มันมีธรรมชาติของตัวมันเองอยู่ที่หลวงตาเทศไปในการนั้นที่ผมลุ้นอยู่ที่บ้านน่ะหลวงตาสอนคุณหลีว่าจริงๆมันทําอะไรใครเขาไม่ได้เลยนะมันไม่มีแม้ทั้งอาวุธของตัวมันเองในความเป็นจริงมันไม่มีอาวุธเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านเขาได้ คุณหลีตั้งตัวนั้นให้มั่นในใจก่อนแล้วไอ้จิตเดิมเดิมที่คุณหลีอยากจะพามันไปสู่นิพพานหรืออะไรก็ตามพามันไปรู้ทำหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วมันทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอะ่ะแล้วตอนนี้คุณหลีจะไม่เห็นมันด้วยใช่คุณหลีเห็นอย่างอื่นคือตัวมันอะไรเห็นแต่มันทําอะไรไม่ได้ไงจับตัวนี้ให้มั่นก่อนลงให้แก่ใจตัวเองว่าจริงๆไอ้ตัวนั้นของมันแท้แท้มันทําอ่ะ ไรไม่ได้เลยมันไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นต่หลิวช้อนซ่อมอะไรมันก็ไม่มีมันทำอะไรใครเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเข้าไปยุ่งหรือแก้ไขอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในไ ม, ใไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถ้าคุณหลีเข้าใจตรงนี้ให้ลงแก่ใจจะไม่พยายามแก้ไขอืมเพราะตัวที่กำลังใช้แก้ไขนั้นไม่ใช่ตัวนี้ เพราะถ้าเป็นตัวนี้จริงๆซะแล้วเนี่ยคุณหลีต้องปัญญาตามประกบให้ทันนะพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยปัญญาต้องมาพุ่งมาเลยเฮ้ยที่ใช้อยู่ไม่ใช่เขานี่เพราะไหนบอกว่าตัวมันทําอะไรใครไม่ได้อะแล้วเราใช้อะไรทําอยู่เป็นสังขารโอ้แต่นี่สนุกสานานเลยสิใช่ไหมจิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมาจิ้มไปจิ้มมา ซอนซอนซอนซอนซอนและซอนและซอนและซอนและซอนแล้วบอกว่าเมื่อไหร่มันจะสงบแล้วเราก็จ้องมันคิดมันช่องมันคิดมันเราลืมตัวตีมแรกก็ได้ที่ตั้งอยู่จริงๆมันคือศัจธรรมมันคือธรรมะมันคือปริศโพลของอะไรก็ได้ที่มันเป็นอยู่แล้วอ่ะมันคือหลักอ่ะหลักโดยธรรมชาติไม่ใช่หลักที่ตั้งอยู่มันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะและถ้าเราเข้าใจหลักตัวนี้เราจะพบคําว่าไม่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้น จะกี่แวบก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามในเรื่องค้าใจใตัวนี้มันก็พ้นทุกขณะขณะขณะตรวนั้นแหละ